ความเจริญในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลวงปพุทธญาณกำลังนำเสนอพ ร, ระพุทธดำรัสในลักษณะเป็นอุทานที่ว่าการกำจัดอสมิมาณะจะได้นั่นแหละเป็นสุขอย่างยิ่งหรือแสดงทางแห่งความสุขไว้สามสามสี่ทางด้วยกัน ก็เป็นการแสดงในรูปสมบูรณ์คือหมายความมาสะท้อนจากพระไทยของพระองค์ที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าทางแห่งความสุขมาตลอดเวลา6ปีแล้วก็จนได้สัสรุปผสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทรงสัมผัสตรงก็หมายความมาโดยเนื้อหาสาระแล้วก็มีความเป็นปฏิเวทอยู่ในตัวและถ้าเราประพฤติปฏิบัติไปตามหลักที่ทรงแสดง จริงก็คือตัวปฏิเวชนั่นเองแต่ว่าสําหรับเราก็เป็นปริยัติเมื่อเรานํามาประพฤติปฏิบัติก็เป็นปฏิบัติแต่พอเกิดผลมาต้องตรงกับตัวปริยัติที่เราเรียนเพราะว่าสถานะที่แท้จริงของปริยัติก็คือปฏิเวทต่างกับข้อความที่สมบูรณ์นั้นก็ทรงแสดงว่าความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้สันโดษมีธรรมปรากฏแล้วเห็นอยู่ ข้อหนึ่งก็สองความไม่พยาบาทคือความสํารวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกอย่างพระพุทธเจ้าที่จริงเมืไปเลยไปแล้วนะฮะเป็นรูปของกรุณาแล้วก็ความปราศจากกําหนัตคือความร่วงการทั้งหลายเสียได้เป็นสุขในโลกความกําจัดอสมิมานะเสียได้นั่นแหละเป็นสุขอย่างยิ่ง นนี้จริงเนี่ยเราก็สืบเนื่องมาจากอสวขยานคือมันเป็นผลโดยตรงมาจากการบรรลุอสวขยานแต่อสวขยานนั่นเองมันก็เป็นผลโดยตรงมาจากอริยมรรคอริยมรรคเองมันก็เป็นเหตุให้เกิดสมัยานแต่สมัยานเนี่ยมันก็นําไปสู่อสวขยานมันก็เป็นกระบวนการปฏิจจสมบัตสายดับนะพูดง่ายๆ คือวิชาดับสังขารดับสังคารดับปิญญาดับกังกลาวแต่ในความเป็นอาสวะเนี่ยกันจะแม้เป็นสามบ้างเป็นสี่บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสามคือกามมาสวะภวาสวะอวิชชาสวะก็ในภวาสวะเนี่ยมันก็รู้สึกความเป็นอยู่มันเป็นอาการของมานะคือเมื่ออยากได้อยากไม่อยากเป็นพอเป็นพออยากเป็นได้เป็นแล้วมันก็เกิดมานะว่าเราเป็น ว่าโดยการประลบอะไรก็ได้ยังอ น, นก่อได้พูดถึงเรื่องชาติเรื่องโคตรเรื่องความเป็นบุตรธิดาแห่งส ก, กุลความเป็นผู้มีรูปร่างงดงามมีทรัพย์สมบัติมากเพราะนั้นคนมีทรัพย์ยมีอำนาจต่ลองสังเกตว่าจะไม่ค่ยเห็นหัวคนอื่นจะพูดเจจาไม่ค่อยให้เกียรติไม่ค่อยยกย่องใครเพราะเธอเองว่าตัวเองก็หนึ่งแล้วก็ไม่รู้สึกตัวนะว่าเป็นการ พายแพ้ต่อกิเลสเราจะเหนือคนอื่นในด้านทรัพนะฮะแต่ว่าเราก็ตำก่อคนอุืิทในด้านคุณธรรมตพราะตนี้ก็มีไว้สมัครรับใช้นะฮะไม่ได้มีไว้ให้เป็นนายให้เราให้ลองสังเกตว่าชาติโคตรสกุลความเป็นผู้มีรูปงามแต่นี่มันเป็นผลบุญ ถ้ามันดีทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นปูเพกตะปุญญตา <c oughs> คือเป็นบุญที่บุคคลกระทาไว้ในการก่อนอทรัพย์นั้นอาจจะเป็นผลบุญที่อำนวยให้เรามาเกิดในสกุลที่มั่งคั่งหรือว่าเป็นผลของความมันขยันอย่างแคลาดสร้างสมทรัพย์ ส, ส, สมบัติขึ้นมาเมื่อก่อนก็ดีๆอยู่นะฮะแต่ว่าพอร่ํารวยทรัพย์ขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นคนที่มีมานะาดีความถือตัวมีตามในความกระด้างจัดแล้วก็ การได้สถานะการับการเชื้อเชิญไปผู้มีเกียรติให้เราสังเกตว่าบางทีเนี่ยเราไปแสดงปม เ, ออเราอาจจะคิดเราเป็นปมเครื่องเช่นว่าคนใหญ่คนโตเวลารับเชิญไปเป็นประธานในพิธีอะไรเนี่ยปล่อยคนอื่นรอสิงเงือโชคเนะีน่ะเสร็จแล้วก็ค่คอยๆมาลุกตาทุกคู่เนมองไปหาเขาแล้วก็จะยืดเขาจะรู้สึกเขาสง่ามากก็ยิ่งใหญ่มาก นั้นเป็นอาการของมันนะแล้วก็อาการพยองอาการลำพองเกิดขึ้นภายในใจกัานี่ก็เป็นตัวกระตุ้นที้เกิดมานะคือหน้าที่การงานที่มีตําแหน่งชั้นยวยต่างๆให้ลองสังเกตเดี๋ยวเพล๋อๆคุณรู้ไม่ว่าผมเป็นใครคือมันอัตราบางเคื่องขึ้น แล้วคนบางคนเนี่ยแม้แต่เดินผ่านหน้าเขาไม่แสดงความเคารพเนี่ย ก, ก็โกรธอ่ะหรือไม่ได้มองตัวเองอ่ตัวเองมีดีอะไรให้เขาต้องเคารพเนี่ยกดด็จะโกรธอ่ะ น, นั่นคืออาการข้งมา น, นะไม่เป็นอาการพองเป็นอาการพยองเกิดขึ้นไปในใจโดยสายตำแหน่งหน้าที่การงานหรือศิลปศาสตร์ ศิปะวิจชาการต่างๆที่ตัวเองโดดเด่นเป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั้งหลายเนี่ยก็เฮิมเกรมพยองและพองได้เช่นเดียวกันวิทยาฐานะที่ตนมีอยู่เป็นปริยาเอกในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโ น, น้นเป็นปริยาโทรเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโ น, น้นแล้วก็มีความรู้สึกซึ่งเราจะเห็นว่าการเรียนในคดีโลกเนี่ยโดยการศึกษาในความหมายของคดีโลกเนี่ย ศา ส, สนาท่านเรียกว่าศิลปะแต่ไม่เรียกว่าการศึกษาเพราะการศึกษาเนี่ยมันจะต้องทําลายตัวอวิชชาจะ ต, ต้องลดโลภะโทสะโมหะลงไปเพราะศาสนาพุทธจะเรียกการศึกษาแค่ศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเองเรียกรวมๆเรียกเต็มที่นะฮะอธิศีลสิกขาสมาณาเนียทิจิตตสิกขาสมาณาเนียทิปัญญาสิกขาสมาณาเนีย ก, ก็แค่สามอยา่าง เพรการศึกษาเรื่องสีนี่โลภะโทสะโมหะอย่างยาวเนี่ยมันลดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโลภะเราศึกเรื่องธรรมะพวกนี้มันก็ลดขึ้นไปอีกพอมาถึงสมาธิเนี่ยกิเลสประเภทโลภะโทสะโมหะก็ลดลงไปกว่าเดิมลดลงไปจนไม่มีอาการภายในจิตพอมาถึงปัญญาก็กวาดถอนรากเง้าวของสรรพกิเลสทั้งหลายอย่างที่ทรงเงปร่งเป็นรูปประตูทานนางกล่าวข้างต้ นั่นก็แสดงถึงประภาพของพระไทยที่ไม่มีตนามานาทิฐิอยู่แต่ถ้าหากว่ายังมีอยู่มันก็อาจจะอาศัยวิทยาฐานะตัวเองเนี่ยดูมินคนอื่นได้แล้วคนมีโง่หมดนะเก่งแคคนเดียวลองสังเกตถึงว่าคนที่มีตำแหน่งมีหลายเรื่องนะเราเห็นว่าเช็นว่ามีมีหน้าที่การงานแล้วก็มีวิทยาฐานะแล้วก็มี เป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงแล้วก็ล า, าดในการบริหารงานอะไรอย่างหนึ่งมีศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่ น, าา น, า น, านาการเงินการคลังอะไรก็ได้เนี่ยซึ่งมันไม่มีเรื่องลงตวงัไวไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินของโลกอ่ะมันเกี่ยวข้องกับโลกทั้งปวงแต่คนที่อยู่ในจุดนี้จะมักจะหลงตั ว, ตวเองกน็นึกว่าทฤษฎีที่ตัวเองปฏิบัติเนี่ยมันถูกต้องที่สุดแล้วไม่มีใครเหนือแล้วมืออาชีพประกาศตัวเป็นปมืออาชีพ จะบันเมองจะปัญพวนยังไงก็ไม่รู้ฉันเป็นเบืออาชีพของฉันแล้วก็ไม่ฟังใครมันจะเกิดเป็นอัศมิมาณ์ขึ้นมาแล้วก็แสดงให้เห็นว่าคนอื่นเนี่ยต้องฟังเขาต้องเชื่อเขาเขาคือศูนย์แห่งความถูกต้องวันวิทยาฐานะมันก็เสี่ยงเสี่ยงโดยการที่จะหลงตัวเองเหมือนกันแล้วก็การศึกษ า, า, ก, า ก, นะการศึกษาในส่วนของคดีโลกนะฮะการศึกษาในส่วนคดีธรรมของเราเอง ในการต่อมาเนี่ยเราลองสังเกตว่ามันก็เกิดอัสมิมานะขึ้นมาเต็นพวกได้ประริยนสูงๆมันก็จะจะเกิดอาสมิมานะบเราเป็นป ร, ริยนนั้นประริยนนี้เราเป็นป ร, ริยนตรีป ร, ริยนโทรป ร, ริยนเอกจนเต็มกัเอกุแล้วก็จะพูดจากันยากจะเข้ากับคนอื่นยากนะเพราะคนอื่นมันเล็กตอนนั้นโง่ทอนนั้นนะไม่มีภูมิปัญญาซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงเนี่ยอิจาความรู้ที่เราศึกษาเนี่ย มันเขามุ่งที่ความเปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรมแสดงออกมาเห็นว่ากายสงบว่าใจสงบนั่นก็คืออะไรก็คือความสงัดความสุขที่ทรงแสดงไว้ในตอนต้นเนี่ยเกิดมาจากอะไรละ่ะเกิดมาจากความไม่พยายามเกิดมาจากการล่วงกลางทั้งหลายเสียได้เกิดมาจากการก ำ, กำจากอัศมีมานาเสีได้นั่นก็คือการศึกษาการศึกษาในที่นี้ก็เน้นไปที่ศิละปะในทางโลก ซึ่งเวลาศึกษาไปแล้วจะเกิดปัญหาคืออยากได้เงินเดือนมากๆเทียบวิทยาฐานะได้เงินเดือนมากๆากแล้วเกิดมารนณะหรือตัวเราเป็นอย่างนั้นอย่าง น, นี้แล้วในสุดก็จะหลงตัวเองเป็นปัญหาโดยธรรมชาติของมนุษย์นะเป็นอย่างนี้พร้อนคนเราจึงขาดพวกมโนสติเราไม่นึกถึงว่ากระบวนการโดยกระบวนการธรรมชาติเราตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์ด้วยกันเราเกิดมาจากคันมารดาด้วยกัน แล้วเราก็เป็นสัตว์โลกที่อาศัยโลกไปกันแล้วพอาตายเนี่ยเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ด้วยกันมันจะใหญ่โตยังไงก็ตายไปนะพอตายแล้วจะไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะสปปะเปลือยจับหักขาหักแกล้งหนักขาก็ทําอะไรก็ทําไม่ได้ก็ทํายังไงก็ทําก็ได้แต่เราก็ไม่ค่อยมองประเด็นตรงนี้ไม่ค่อยเจริญมโนสติแล้วก็ทําให้เกิด อหังการขึ้นมาได้ื่อปฏิพานไว้พิปฏิพานที่ตัวแสดงเห็นว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทําให้ลืมตัวให้ลืมตัวคือนึกถึงเขาเรียกว่าเพลงบอกหรือเพลงก็เพลงบอกอะ น, นะเพลงบอกคือบอกแล้วก็ว่าดเขาก็ว่าดกลาง ชือเพลงบอกป่านท่านตาบอดสมัยเด็กๆนี่เก่งมากสิบแปดิบเก้านี่เก่งมากๆตอนผู้ใหญ่แล้วก็เก่งนะแต่ทีนี้ท่านท่านลำพองมากไปหน่อยวันนั้นไปว่ากับเพลงบอกเพลงบอกผู้หญิงแล้วเพลงข้าว่าแพ้นะฮะจะแพ้แล้วก็พูดถึงตาบอดถึงบอกผู้หญิงย้อนอกข่มมากเลิกเลยเนี่ยฮะเลิกเลย เพราะว่ากรรมการตัดสินในแพ้มันเป็นอาการของปฏิภาณที่ใช้ไปในทางไม่เหมาะไม่ควรคือไม่เคารพกฎของธรรมชาตินะครับทิ้แนวะตัวนี้ยเวลาแสดงออกมาเนี่ยเป็นอาการทางจิตคือจิตที่คิดไฟสูงเป็นจิตที่ฟูขึ้นนะฮะแล้วลองสังเกตสมมติว่าบางทีเราไม่ได้เคยสังเกตนะฮะ จะเมื่อเรานั่งกินอาหารในโต๊ะอาหารเราเยอะเลยแล้วไปอาหารโต๊ใกล้ๆนี่มีต้องสามอย่างเราเกิดมาหน้าเกิดมาดูมิีนกันเนงแป๊บเกินมาคือเกิดขึ้นน่ยระยะสั้นหรือยาวก็ไม่รู้บางทีเรากำลังนั่งในรถเบนซ์อย่างดีเลยแล้วก็เห็นคนนั่งรถเมล์เดินขาบไปนี่มันมาน้มันเกิดขึ้นขึ้น่ะเราแต่งตัวดีๆคนอื่นแต่งตัวซอมซ้อเนี่ยเกิดมาหน้าเกิดมา เรามีเงินพนกในกระเป๋ามากคนอื่นไม่มีเงินแนละ้วมาขอเนี่ยเราก็ดุมิน่นนี่คือลักษณะของมานะมันฟูขึ้นอนะ่ะมันทําให้ตัวเองฟูขึ้นแล้วก็ลอยขึ้นจนเกิดอีกอย่างหนึ่งคืออติมาณนะคือยกตนแล้วก็ข่ม ค, คนอื่นข่ด้วยเหตุผลทีนน่กล่าวมาแล้วเนี่ยเรารูปห่างสวยกว่าตระกูลสูงกว่าชาติสกุลใหญ่โตวกว่าอะไรต่าง เพราะฉะนั้นอมนุษย์ที่มีจุดอ่อนเนี่ยจึงพยายามเชื่อมโยงตนกับคนที่ใหญ่ในอดีตนะอย่างได้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าหลายปีมาแล้วเราสังเกตว่าผู้สมัครประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีนักประวัติศาสตร์นักโบราณค ด, ดีเนี่ยดึงท่านหล่า น, นี้ย้อนไปนะฮจนไปเป็นร้อยร้อ ย, อยปีหลายร้อยปีเลยเพื่อเชื่อมโยงราชวงศ์ใดราชวงศ์หนึ่งในยุโรป คนล่านี้เป็นคนเดียวยกมาจากยุโรปเพราะอะไรเพราะว่าลําพังคนเดียวโดดโ ด, ดเนี่ยมันไม่เด่นไม่ดังคือชาติโคดสกุลเนี่ยมันไม่ใหญ่เลยก็ไปเชื่อมโยงทึ่แน่ตัวนี้ไอ้ลองรังเกศแม้แต่เรื่องพระเยซู น, นี่เห็นมาว่าเป็นบุตรของดาวิดนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพยายามเชื่อมตัวเองกับวีรชนในอดีตบรรพชนในอดีตของตัวเอง เดยกก็ไม่ได้มองเีตผลทางประวัติศาสตร์เหตุผมของความจริงนะฮะสังคมก็ต้องยอมเสียวันนี้คือลูกหลานดาวิดแล้วคนก็นับถือดาวิดเนะี่ยพอเราบอกเป็นลูกหลานดาวิดมันก็ได้เครดิตจากสังคมตรงนั้นเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงโหนนะฮะจึงโหค น, น, ง น, นคนอื่นจึงอ้างอิงคนอื่นจะนับญาติกับคนที่รู้สึกว่าจะดึงตัวเองให้เด่นขึ้นแต่ตญาติพี่น้องเป็นคนไม่ดีนะฮะเป็นคนเป็นอาทยากรเบลต์อะไรเนีเ่นยนะเราก็ มายอมนับญาติด้วยอะทําเฉยๆนามสกุลอาจจะซ้ํากันเยอไปนามสกุลซ้ํากันไม่ได้เกี่ยวอะไรกรไันใดๆเนี่ย จ, จะตัดออกเพราะว่ามันไม่ได้เสริมอัตราตัวเองให้ใหญ่แต่ถ้าได้คนใหญ่คนโตขึ้นมาเสริมเนี่ยเรารู้สึกอัตราเราใหญ่ขึ้นอันี้เนี่ยก็เรียกว่าแนวสัมพันธ์มดมเตรีเรีนว่าขอถ่ายรูปร่วมกับคนนั้ น, คน น, นคนนี้คนโน้นอนะไรอะไรไปแขวนแล้วก็ไปอวดคนอื่น อ้างตัวเป็นลูกศิษย์คนนั้นคนนี้อ้างตัวเป็นคนรับใช้คน น, น ค, นนออคนนั้นคนนี้ทศกัคนนั้นคนนี้อะไรแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นแนวขอ ง, ของการพยายามห้อยหวัวเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองไม่มีจุดเด่นที่จะไปตีเสมอคนอื่นได้แต่ถ้าเอาอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไปได้ในพระณีใดเราก็มีนะฮะสมัยพุทธกาลก็มีพระที่พยายามที่จะแสดงว่าตัวเองมีผูกพันคนนั้นคนนี้คนโน้นนะฮะโดยทั่งก็ไม่ได้รู้หรอกว่า แต่จะเอาอย่างนั้นมาอวดเนีคนอื่นเขามีมากกว่าท่านเนี่ยเขายังไม่อวดเลยเพราะว่าเป็นพระก็คือเป็นพระนะฮะนั่นพระไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเราเป็นพระเราก็เป็นพระพระต้องเกี่ยวกับพระธรรมวินัยเท่า น, ทนั้นเองแล้วข้อต่อไปก็คือความถือตัวว่าดีกว่าเขาเส ม, มอเขาหรือว่าเร็วกว่าเขาโดยเว่าความถือตัวว่าดีกว่าเขาเนี่ยเป็นเหตุให้ดูหมิ่นคนเดียเส ม, มอเขาก็เป็นเหตุให้ตีเส ม, มอ เลว่าเขาก็เป็นเหตุให้ดูหมิ่นคนอื่นไม่ได้ไม่มีไม่เป็นไม่เข้าใจนะอย่างคนไทยเราเนี่ยเราจะเห็นว่ามีลักษณะยอมสยบยอมสยบต่อเทพเจ้ายอมสยบต่อเทพเีสางเทวดายอมสยบต่อประภูมิเจ้าที่ยอมสยบต่อฝรั่งต่างชาติยอมสยบต่อญี่ปุ่นยอมใครยอมสยบแม้แต่พวกฮ่อ ง, ง, ง, งกงสิงคโปร์เนี่ยมันจะยอมสยบนั่นก็คือเอาว่ามานะฮะคือดูหมิ่นตัวเอง แล้วถ้าเราลองดูเมื่อก่อนเนี่ยแม้แต่คนไทยแท้ๆเนี่ยจะไม่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับกาณนิติกรรมร้านค้าสมัยก่อนเราก็เรียกว่าร้านจีนเดี๋ยวคนจีนจะเป็นคนขายคนไทยจะเป็นคนซื้อนะเราก็เพิ่งพัฒนาตัวเองขึ้นมาไม่เท่าไหร่จบเป็นเจ้าคนนายคนจะเป็นเจ้าคุณมุนนายเจ้าวางอำนาจเจอบแสดง แล้วก็ในที่สุดเราก็อย่างที่เราเห็นนะฮะเวลานี้เราก็ไปยอมสยอบก็ฝ ร, รังอะไรพรังบ้ายัางไงก็เชื่อก็หมดเลยก็เรียนตมามาเล่นเดียวคนอายุเรื่อราวเาเดียวกันเนี่ยโง่อะไรกันนักหนาที่ว่าบอกฝรังรู้อยู่คนเดียวเรารู้บ้างไม่ได้อ่ะตนี่คือคือลักษณะของเครียกว่าอวบมานะหรือโอมานะเนี่ยดุมินตัวเองตลอดทั้งดุมินชาติพันธุ์ก็ตัวเองแล้วถ้าคนไปอยู่ต่างประเทศแล้วจะชัดเจนนะฮะจะหลงจะ จะดูหมิ่นชาติพันธุ์ตัวเองคล้ายๆก็ไม่สามารถจะต้องเอาฝรั่งมาจะต้องจ้างฝรั่งมานะเขาก็เพกฝรั่งเข้ากรองมาให้แล้วเอาทั้งนั้นนะนะเก่งกาศสามารถยังไงก็ไม่รู้ว่าแตเรายังนึ ก, กว่าฝรัง่งจะดีวิเศษอะไรบ้นงหนาเมื่อเกิดมาในโลกประปอกันนะไอ้สิ่งที่ฝรั่งรู้เราไม่รู้นั่นก็ใช่นะเพราะเราไม่อยู่ที่นั้นแต่ริงที่เรารู้ฝรั่งไม่รู้ก็เยอะไปทําไมไม่คิด ยิ่งคนเราถ้าจะเติบโตมาในที่เดียวกันเนี่ยฮะคนต่างชาติต่างเผ่าพันธุ์สมมติออกไปไว้ในที่เดียวกันตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลเนี่ยเรียนแข่งกันเนี่ยคนไทยก็ไม่ได้แพ้ใครนะชูกงอเริกาก็ไม่แพ้ใครเห็นไหมเลขาจุติการองค์การสประชาชาติยังเป็นพลังชาวการหน้าเลยเจ้าอะไรเอาก็จริงเนียมันพิสูจน์ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ชาติพันธุ์มนุษย์เนี่ยมันยิงย่งยิ่งเข้าถึงความจริงแล้ว พระพุทธธรรมดัสอ น, นั้นจะคือสัจธรรมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็เราจะเป็นคนดีคนเลวก็เพราะการกระทำไม่ใช่เพราะชาติโกรสกุลอะไรทีนี้มานาเกิดเพราะได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้สุขก็ยังนึกถึงพระเราเวลาเรียนบญกากรพวกมหาปริเรียนทั้งหลายเนี่ยนะฮมันมีบทหนึ่งที่สมเด็จพระมนาเจา้าทรงยกตัวอย่างยาโสรัานวัเฉยยะ ได้ยศแล้วไม่พึงเมาเพราะไรเพราะามนุษย์เป็นอดเมาไม่ได้เนี่ยได้ลาบมันก็เมาลาบได้ยศก็เมายศได้สรรเสริญก็เมาสรรเสริญได้สุขถ้าสุขที่เกิดขึ้นจากธรรมะเนี่ยสุขจากเหตุนยิยต่างกล่าวเนี่ยมันจะไม่เมาหรอกเพราะว่าถ้าทานมาความสุขเองมันก็เป็นโลกธระทำเฉยๆ น, นี่อะไรอ่ะ เพราะในจุดต่างในการมองสิ่งเหล่านี้ระหว่างคนที่มีปัญญากับคนโง่เนี่ยมันต่างกันท่านที่มีปัญญาท่านก็มองเห็นโลกธรรมที่เกิดขึ้นกต่ท่านว่าเออสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราแต่สิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเกิดก็เกิดตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ดับไปก็ดับไปก็ไม่เอาเรื่องเอาราอะไรมันแต่มันมาให้ใช้ประโยชน์เราก็ใช้ประโยชน์จากมันแต่ไม่ได้สอนให้ยอมสยบ ต่อสิ่งดอกนั้นอีกเร่างหนึ่งก็เกิดมานาเกิดจะรูปเสียงดิ่นรสโปรดถภาที่ตนได้สัมผัสเหนือกว่าคนอื่นนะฮะหมายความว่ารูปที่ตนสัมผัสเหนือกว่าคนอื่นเสียงที่ตนสัมผัสเหนือกว่าคนอื่นกลิ่นที่ตนสัมผัสเหนือกว่าคนอื่นรสหรือโปรดถภาที่ตนสัมผัสเหนือกว่าคนอื่นหรือแม้แต่รูปเสียงของตนเองที่เหนือกว่าคนอื่นมาว่าเป็นเหดชเกิดมานะเรือมานาเกิดขึ้นทางตะวานทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายนะฮะ ไม่ว่าเกิดมาหน้าเกิดมาได้เพราะเกิดไปเทียบเคียงได้ตีเสมอบ้างแล้วก็ดมินตัวเองบ้างท่านจึงแสดงว่ามานะก็คือความถือตัวถือตัวจัดความถือตัวหรือถือตัวจัดหนักแน่นมากจิ่งขึ้นความถือตัวว่าเลวความถือตัวว่ายิ่งความถือตัวว่าขันห้าเป็นตัวตนเราเขาความถือตัวผิดแต่ละอย่างเนี่ยคือท่านนิยามไว้ใน กระบะลียาไว้ให้เห็นลักษณะห ล, หลายๆอย่างแต่อย่างที่บอกไว้นะฮะว่ามา น, านั้นให้ลดความเข้มข้นเขาแล้วก็ใช้สร้างสรรได้เพราะบางครั้งบางคราวนี่ท่านที่บรรลุพวกอภิญญาระดับล่างๆนั่นนะคือพวกนี้กิเลสสงบเหมือนกันนะแต่สงบโดยวิคัมพนะปะหารคือละโดยการกดทับเอาไว้แล้วก็ท่านอาจจะ มีความรู้สึกว่าเป็นพระยาบุคคลตามปกติแล้วท่านอาจจะมุดบอกใกลก็ได้แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นอํำบัดเพราะว่าเป็นอติมานะเป็นอาทิมานะนะะคือสำคัญผิด อ, อ, อีกหนึ่งก็เป็นเหตุให้เกิดมานะว่าถือตัวยังความถือตัวให้เกิดขึ้นพระลาบ เพราะเสื่อมลาภเพราะยศเพรเสื่อมยศไอ้นี้ก็คือฟูขึ้นแฝบลงนะหมายความมาท่านได้ในโลกธรรมที่ส่วนที่น่าปรารถนามันเกิดมาหน้าว่าเราได้เร า, เรามีเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ว่ากันไปแต่พอมันเสื่อมมันก็เกิดโอมา น, นะคือเกิดดูหมิ่นตัวเองซ้ําเติมตัวเองนะือดืมด่มเหล้ามเมายาค่าตัวตายกระโดดตึกตายแล้วอะไรนี่มานะมันจะจัดแล้วก็มั่วๆเพราท้งคนอันนี้ก็เป็นปัญหามันอเป็นอัศมิมานะ แต่เราถึงความถือตัวว่าเป็นผู้ดีกว่าคนดีถือตัวว่าเป็นผู้เสมอกับคนดีเป็นผู้ถือตัวว่าเลวกว่าคนดีหรือว่าถือตัวว่าเป็นผู้ดีกว่าคนชั้นเดียวกันหรือว่าเป็นผู้เสมอกับคนชั้นเดียวกันหรือเป็นเลวกว่าคนชั้นเดียวกันก็จับเข้าไปอย่างนี้เรื่อยๆก็กลายเป็นมานะเก้าประการก็สรุปว่าตัวนี้ทั้งหมดมันเป็นอัศมิมานะ แต่พระพุทธเจ้านั้นเข้าถึงเอกันตะบรมสุขอย่างยิ่งเพราะพระพุทธเจ้าไม่มีตรวตนได้ถอนอัตตาโ น, น ท, ทิิคือความรู้สึ ก, กว่าตัวตนออกไปไม่มีของเราไม่มีเราแล้วก็ไม่มีตัวตนของเราเพราะว่าถอนตถาพร้อมทั้งบุญได้แล้วหลักทั้งหมดที่กล่าวมาจึงเป็นหลักโดยเสิทธิรอยุคนบาทเราก็คงจะทําไม่ได้ระดับนั้นหรอก เองแต่ว่าทำยังไงให้ลดมานะลงไปหน่อยลดความถือตัวลงไปหน่อยลดการดูถูกดูหมิ่นกันเวลานี้แม้แต่ในวงการพระเองเนี่ยแบ่งเป็นภาคนั้นภาคนี้ภาคนล้นไม่ใช่ทุกรูปนะฮะบางรูปแต่ยังพูดกับผู้ใหญ่ว่าแม้แต่นิกายเนี่ยธรรมยุทธ์มานิการมายานเทรวะหัดอะไรอะไรเนี่ยเอามาทําอะไรเอามาถือพักถือพวกแบ่งพักแบ่งพวกพวกันทําไมมันเป็นมรดกบาป เรามีหน้าที่เป็นศาสนาทายาทของพระพุทธเจ้าเราไม่มีหน้าที่ที่สืบทายาทอาดุงทายาทกิเลสของใครก็ได้นะฮะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทาสใครเราเป็นทาสพระรัตนตรัยก็พอแล้วมาทหารมาพบกันตรงนี้มันจะลดอะไรลงไปได้เองต้องฝั่งทงั้งหลายแต่เราพระพุทธยานในวันนี้คอยุติไว้ด้วยเวลาเพิจานณี ที่สุดนี้ขอความเจริญงองงามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี